บัรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงศัตรูและทรงแ ส, สดงไว้นั้นมีหลักที่ถือว่าสาคัญอยู่สามประ ก, การคือธรรมะนั้นเป็นประโยชน์ที่บาลีใช้คำว่าอัตถะ ได้มีลักษณะเกื้อกูลซึ่งคำบาลีใช้คำมหิตะได้ก่อให้เกิดผลเป็นความสุขที่คำบาลีใช้ว่าสุขะดังนั้นการปฏิบัติกิจอะไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนาได้เกี่ยวกับการตั้งความปรารถนาแล้วก็จะลงด้วยต้องการผลดังกล่าวนั้นคือต้องการประโยชน์เกื้อกูล และความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทามีการให้ทานรักษาศีลการบูชาเป็นต้นดังนั้นเมื่อท่านเมตคูรูได้ฟังคำถามคำตอบของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับท่านจึงเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และเป็นสกีพยาน ย, ยืนยันถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ตามประสาทธรรมท่านได้กล่าวรับรองธรรมะของพระพุทธเจ้าป่าโดยตํำรับพระธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการถ่ายถอนกิเลสเป็นธรรมที่ปราศจากอุปธิใครสามารถสัมผัสธรรมเหล่านี้ได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงซึ่งท่านเองก็ประจักษ์ด้วยายของท่าน คำกล่าวของท่านจึงเป็นการกล่าวจากประสบการณ์จงที่ตนสัมผัสมองเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนที่เจ้าฝ้าพระพุทธเจ้ากระลังจากความพระธรรมเทศนาแล้วความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านเองท่านจึงไปจากแจ้งในธรรมเหล่านั้นตามหลักของพระธรรมคุณที่เราสวดกันว่าสันติติโก คือผู้บรรลุจอพึงเห็นได้เองและบัจจะตังเวดิตบโปมยูชิเกอนวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนแต่ผลที่เกิดจะเกิดขึ้นมาได้เช่นนั้นก็ต้องอาศัยโอปันญิโกคือน้อมนำมหาพรตปฏิบัติตามหลักที่ทรงเน้นไว้ในที่ต่างๆอยู่สม่ำเสมอคือให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ปฏิบัติชอบจริง ให้ปฏิบัติตัดทำก็สามารถที่จะนาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ในชาติ น, นั้นได้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อกราวโดยสรุปตามหัวข้อใจคือคอริยสัจทั้งสี่ไปกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าอัตตะคือผลประโยชน์แห่งธรรมนั้น จะบางเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือไม่ก็อยู่ที่บุคคลได้ศึกษากำหนดจำแนกธรรมะออกไปเป็นกลุ่มอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอริยสัจคือหนึ่งกลุ่มที่ควรกำหนดรู้เอาไว้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมธรรมชาติกลุ่มที่ควรกำหนดรู้เอาไ ว, ว้กก ว, ไ ว, ว่าเป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้น และมองให้เห็นโทษประจักษ์แก่ใจกลุ่มที่เป็นเป้าหมายซึ่งบุคคลมุ่ง ม, ม, มา่นปรารถนาที่จะสัมผัสด้วยใจของตนเองและกลุ่มหลักการวิธีการในการลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อนำตนไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นนั่นก็คือลำดับแห่งทุกสมุทัยนิโรธมักนั่นเอ ง, งนั้นการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะ จะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ก็ในเมื่อกลุ่มใดที่ควรกำหนดรู้เอาไว้วันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่โดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมองให้เข้าถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปก็มองเห็นเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็มองเห็นเป็นธรรมดา เมื่อสิ่งนั้นแตกดับไปก็มองให้เห็นเป็นธรรมดาธรรมดาของสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรุปไปด้วยคําบาลีที่ว่าอุปาดติติพังกะอุปาดก็คือเกิดขึ้นทิติก็คือดํารงอยู่พังคะก็คือแตกดับไปเมื่อยามพูดถึงสิ่งมีชีวิตทรงใช้คําว่าเกิดแก่ตาย พูดถึงสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมกันเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยตามธรรมชาติเราะเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นก็มองถึงสิ่งนั้นและมองเชื่อมโยงเข้าไปหาเหตุปัจจัยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยแตกต่างกันออกไปตามปกติแล้ว สิ่งที่เป็นปิดผลของธรรมชาตินั้นเหตุปัจจัยหลักที่ขาดใช้ไม่ได้ก็คือดินน้ําลมไฟอากาศแต่สิ่งมีชีวิตก็เพิ่มมีดานเข้าไปนั่นถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยหลักที่กอ่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านี้แก่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพอตัวเหตุปัจจัยก็เปลี่ยนแปลงไปตัวก็แก่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และเมื่อเหตุปัจจัยไม่สามารถดำรงอยู่ตัวแกก็ไม่สามารถดำรงอยู่ด้วยการเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนั้นให้สังเกตว่าเกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติโดยตรงโดยไม่มีเจตนาแต่ว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดแกก็เกิดเช่นฝนตกน้าท่วมฟ้าคารามลมพัดเป็นต้นหรือตลอดถึงปรากฏการณ์ที่เป็นภูเขาต้นไม้ ที่ได้เกิดขึ้นทั้งดูและดับไปโดยกฎของธรรมชาติแต่มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือเจตนาสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาของบุคคลทั้งหลายเจตนาในการสร้างนั้นส่วนมากจะเกิดขึ้นด้วยโลภะคือความต้องการความปรารถนาให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นตามที่ตัวต้องการสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นด้วย จตนาของบุคคลแต่องค์ประกอบของเขาก็ค ง, ง, งเป็นดินน้ำลมไฟอากาศแต่ก็อิงอาศัยบินดานของผู้สร้างคือเจตจำนงของผู้สร้างและสิ่งเหล่านั้นหากว่าบุคคลเตรียมใจยอมรับความจริงเอาไว้ว่าเป็นธรรมดาที่มีการประชุมปรุงแต่งกันจะอาศัยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกัน เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยเวลาแก่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาสภาพาของตัวแก่ไปได้ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดที่จริงสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงปัญหาสำคัญอยู่ที่การเข้าไปใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหรือไม่ เรือจะใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาแล้วแต่ไม่มองน้อมเข้าไปหาเพื่อใครกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอาศัยเจตนาของผู้ปรุงเมื่ออาหารหลำนั้นสาเร็จเป็นรูปเป็นรูปอาหารชนิดนั้นๆขึ้นมาก็เป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลาย บุคคลก็รู้ถึงสภาพความจริงของอาหารว่าว่าถ้าปล่อยไว้นานได้ก็จะเย็นจะไม่น่ารับประทานก็รีบรับประทานไปสแสดงไว้เห็นว่าอาหารนั้นไม่รักษาสภาพเดิมไม่อาจรักษาสภาพเดิมไม่ได้ถึงคราวจะต้องเตรียมรักษาก็หาสถานที่รักษาเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องบูดต้องเน่าจะรักษาไม่ดีนี่สแสดงว่าก็เห็นทุกข์ษัตริเหมือนกันเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงการดํา ร, รง อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใครกำหนักเมื่อถึงคราวจะรับประทานก็เอาสิ่งนั้นไปอุ่นขึ้นมาก็รับประทานได้ต่อไปทัท้งที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ในลักษณะ น, นี้คือสิ่งที่ไม่สามารถรักษาสภาพเดิมต้ตนไว้ได้ในลักษณะ น, นี้แต่ใจก็หาได้ถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไม่ เพราะสายเจตนาปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเมื่อปรุงแต่งมากข้าวก็สามารถหลอกตัวเองให้ยอมรับถึงเงื่อนไขที่ตัวสร้างขึ้นมาหลอกก็ใกล้ๆกับว่าบรรดาสตว์ทั้งหลายเช่นว่าชาวนาทำขุนเอาไว้ไปปักไว้ในนาเลย่อสัตว์รู้ว่ามีเจ้าของจะไม่กล้าลงในนา เจ้าของนานเองทั้งๆที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงขุ่นฟางหรือขุ่นที่ตนทําด้วยผ้าแต่นั้นเองแต่ใจก็เกิดยอมรับว่ามีหุนอยู่ดูแลนานแล้วตัวเองก็ไม่ต้องไปดูแลจก็หมายความว่าสร้างสิ่งขึ้นมาหลอกตัวเองถึงสองสามชั้นด้วยกันแตนั้นการผ่อนคลายความกําหนัดความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายจึงไม่เกิดขึ้น เมื่อไม่เกิดขึ้นความทุกข์ที่อาศัยความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกทาลายของสิ่งเหล่านั้นก็จะติดตามมาอยู่เรื่อยไปจิตใจของบุคลคลก็วิ่งวนอยู่ระหว่างความสุขกับความทุกข์พอสิ่งเหล่านั้นดํารงอยู่ก็มีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็เศร้าโศกเสียใจ ต, ตลอดถึงร้องโคมร้องไห้ปริเวธนาการข้ามควรไปด้วยประการต่างๆต่างแต่ที่โดวใจจริงแล้วก็รู้อยู่ เข้าใจถึงความจริงเหล่านั้นอยูันั้นการกำหนดรู้ถึงความจริงเหล่านี้จึงต้องทวนกระแสะความรู้สึกที่พยายามจะกบเกลื่อนพยายามจะปกปิดถึงความจริงที่ตนเองก็ปรเห็นอยู่ให้เบาบางลงไปรร้เจ้าก็ทรงประทานหลักให้พิจารณาอย่างที่สุดกันในปินหะปัจจเบัขณะนั้นเอง นี่ก็หมายความว่าถ้ากําหนดรู้ถึงความจริงอย่างนี้ว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลาดๆเป็นเรื่องของปกติธรรมดาบุคคลก็จะรับประโยชน์จากธรรมะในชั้นนั้นๆไม่ต้องเศร้าโศกในทำกลางบุคคลอื่นผู้เศร้าโศกไม่ต้องเป็นทุกข์ในทำกลางของบุคคลอื่นผู้เป็นทุกข์ไม่ต้องเล่าร้อนแม้เหตุปัจจัยก่อให้เกิดความเล่าร้อนแก่คนอื่น แต่ตนเองก็ไม่ต้องประสบความรับรอนนี่แสดงว่าใจของบุคคลได้ปล่อยวางคือยอมรับความจริงลักษณะเหล่านี้ครังที่เคยเล่าเรื่องนางกีสาโคตมีซึ่งไม่ยอมรับความจริงว่าลูกของนางตายแล้วก็ยังมีกอดมีอุ้มมีหมผ้ามีหวงยัยอะไรต้องการจะเยียวยารักษาลูกของตนอยู่ แสดงว่าจิตในขณะนั้นไม่ยอมไม่ยอมประเชิญหน้าความจริงทื่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้แต่เมื่อได้เข้าใจพุทธาธิบายของพระผู้มีพระภาคเจ้านางก็ใจนางก็ปล่อยนางก็วางรูปของนางซึ่งตายไปแล้วประจัดการไปตามสมควรแก่ฐานะของผู้ที่ตายไปแล้ว ความโศกซึ่งเปรียบเหมือนลูกสอนที่เสียดแทงใจอยู่เป็นเวลาหลายวันก็หายออกไปเพราะใจได้ว่างได้ปลงภาระที่ตนแบกตนหามไม่ได้นั้นการปรับใจในลักษณะนี้บุคคลจะปรับได้หรือปรับไม่ได้ก็ต้องมองไปที่ตัวอุปาทานคือความยึดติดเพราะความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่มากหรือไม่แต่ว่ายังมีอยู่มาก แม้จะสามารถอ ธ, ธิบายสามารถสาธยายสามารถชี้แจงให้เข้าใจในกฎของธรรมชาติได้แต่ผลก็ไม่ได้เกิดขึ้นแกบุกคคลนั้นอย่างแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคเนดเนยด้วยการเลี้ยงโคแต่ก็จริงแล้วตัวเองก็ไม่ได้ดื่มน้ำนมโคเจ้าของโคเป็นคนดื่มน้านมโคเป็นคนได้ประโยชน์จากน้านมโค ธรรมะในทางพุทธศาสนาจึงแบ่งเป็นถึงสาชั้นดังที่ทราบกันคือเรื่องศึกษาที่เรียกว่าปริยัพเรื่องการลงมือประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติสัจธรรและบุคคลจะต้องเข้าไปในแดนของปฏิเพตคือได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดรู้ในสิ่งที่ควรกําหนดรู้เป็นต้นในชั้นใดชั้นหนึ่งตามกําลังความสามารถของตนนั่นคือผลที่บุคคลจะได้จากกระทำอย่างแท้จริง ธรรมอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทรงสอนว่าเป็นปะหาตัประทับในแกีกรติเลสทั้งหลายจะเรียกชื่ออย่างไงก็ได้จะเรียกว่าตัณหาคือาการที่ทําให้จิตดิ้นรนทะยอยทยานอยากจะเรียกว่าอากุศลล้งมูลคือรากเหง้าของบาปของอกุศลทั้งหลายจะเรียกว่าอุปาทานคือสิ่งที่ทําให้จิตไปยึดเหนียวยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายหรือแม้จะเรียกอย่างอื่นก็าตาม เมื่อบคุคคลได้ศึกษาเข้าใจถึงสภาวะของธรรมะเหล่านั้นว่ากิเลทั้งหลายนั้นมีสภาวะเร่าร้อนบังคับใจให้ใส่ดิ้นปญญานยรมต่างๆไม่มีความสงบเป็นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเป็นเหมือนวังบนในมหาสมุทรเป็นเหมือนสัตว์ไรในมหาสมุทรเป็นเหมือนหลุมบ่อวากาน้ำต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ การเ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยแล้วแต่ต้องระมัดระวังด้วยกันแต่นั้นถ้าว่าเกิดเผลอเร่อพลั้งพลาดลงไปแม้เพียงรูปเดียวขณะเดียวก็อันตรายพร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกี่ยวข้องกับหลุมบ่อและฟางบนเป็นต้นชั้นใดใจของบุคคลที่ถูกกระแสของตัญหาเป็นต้นฉุดกระชากลากพาไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้นบางครั้งเป็นเพียงชั่ววูบของอารมณ์ เป็นภาพเหตุการณ์บุคคลที่เห็นได้พบกันได้ขับรถวูบเดียวของอารมณ์พลางพลาดไปเกิดอุบัติเหตุล้มตายกันเป็นเบือ่อเกิดความโลภชกรววูบขึ้นมาไปฉกจิงกระเป๋าของบุคคลอื่นเป็นต้นก็ต้องติดทุกติดตารางหรือถูกฆ่าตายวูบอารมณ์ของความโกรธที่บังเกิดขึ้นมีการดา่ามีการประหารมีการประทุษร้ายจนถึงมีการยิงกันตายเป็นต้นนั่นก็คือวูบเดียวของอารมณ์เท่านั้นเอง เป็นเรื่องของกิเลสที่มากก็กิเลสน้อยก็กิเลสพระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้มองเหมือนกับยาพิษเหมือนกับไฟน้อยก็ไฟน้อยก็ยาพิษมากก็ไฟมากก็ยาพิษซึ่งพร้อมที่จะทําอันตรายแก่บุคคลทั้งหลายได้ถ้าหากว่าไม่มีความระมัดระวังในขั้นเบื้องต้นนั้นการจะมองให้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ค่ต้องอยู่ที่การมองให้เห็นโทษไปจากแจ้งแก่ใจของตัวเองปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากไม่ว่าในชั้นของศีลธรรมจัร ญ, ญาหรือชั้นของการนารงชีวิตอยู่กระตับกรนี้จะพบว่าบุคคลมักจะมีเหตุผลอ้างเข้าข้างตัวเองได้เสมอในการที่ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ไปด้วยแรงผลักดันของกิเลสแล้วมักจะโยน ความผิดทั้งมวลไปให้แก่บุคคลอื่นว่าที่จําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นเพระคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นจึงต้องใช้อย่างนั้นซึ่งเมื่อทําไปเช่นนี้บ่อยๆในที่สุดทุกครั้งทุกคราวก็ต้องใช้อารมณ์ต้องใช้กิเลสอยู่ร่างไปแทนที่จะใช้เหตุผลและความดีหาข้อยุติแก้ปัญหาต่างๆตอนั้นถ้าบุคคลได้มองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นประจกะักษ์ชัดเกลียดใจไม่ว่าในชั้นที่เป็น กิเลส ซ, ซึ่งล้นออกมาบังคับกายวาจาให้ทำทุจริตหรือมีจิตใจ ร, าร่ารรอนผิดปกติหรือในชั้นของเกิดความ ร, าร่าเรอนภายในจิตเพียงปกติธรรมดาหรือมอมพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่รูกอำนาจแก่กิเลสตะระรุสร้างความรุนแรงความเดือดร้อนความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่บุคคลอื่นเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมในชั้นต่าง รานี้ล้วนแล้วแต่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลเหล่า น, นั้นเรื่กับบุคคลเห็นคนถูกไฟลวกหรือถูกอสศรพิษกัดแม้ตัวเองจะไม่ถูกไฟลวกไม่ถูกอสศรพิษกัดก็มองไปจากชัดว่าถ้าปล่อยให้อสศรพิษกัดหรือไฟลวกก็จะเป็นเช่นนี้อาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้แต่ที่แน่นอนเหลือเกินคือต้องเป็นเช่นนี้ ไม่ร่วงพ้นความเป็นเช่นนี้ไปได้เมื่อมองให้เข้าใจเช่นนี้แล้วก็พยายามที่จะสารอบโทษอันเกิดขึ้นภายในใจของตนลัษณะความรุนแรงของอารมณ์ความโลภความโกรธความริษยาอาฆาตพยาบาทเป็นต้น ว, วังเกิดขึ้นภายในใจก็พยายามบรรเทาไปบรรเทาไปโดยลำดับ จะได้มากหรือน้อยก็ตามเป็นเรื่องค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสูตรเงื่อนไขของการการทาความดีที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนหยาดน้ําที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดเก็บบ่อยๆสะสมกันบ่อยๆนานๆเข้าก็จะเต็มภาชนะได้การละบาปละกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันและจะเปรียบด้วยการกวาดป่านการซักผ้าค่อยๆขยี้ค่อยๆซักค่อยๆทําไป ความสะอาดก็จะเกิดขึ้นภายในจิตภายในผ้านั้นโดยลาดับจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นค่อยๆทำไ ป, ไปบ่อยๆเป็นการเก็บการสะสมไว้บ่อยๆก็จะมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นประจักษ์แก่ใจแต่ท่านี้ท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางความแก่อ่อนของอินทรีย์สมารบุคคลเหล่า น, นั้นบางคนแม่เห็น <c oughs> ผลที่เกิดขึ้นจากกํานาจของกิเลสที่สร้างพิษภัยอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นก็น้อมนึกเข้ามาหาตนแล้วก็งดเว้นไม่ประพฤติเกรธรรมในลักษณะนั้นได้เป็นบางคนคนบางคนเห็นเพื่อนเขาโกรธแล้วไปฆ่าไปประทุษร้ายของบุคคลอื่นแต่ก็มองย้อนกลับเข้ามาถึงเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดผลเช่นนั้นย้อนกลับมาถึงต้นตอที่สูงสุดก็คือกิเลส กิเลสที่บังเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับบังคับกายบังคับวาจายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจนคุมไว้ไม่อยู่ในที่สุดก็มีการฆ่าก า, ารประหัตประหารกันเมื่อมองสาวไปทั้งหมดเหตุเหล่านั้นจริงๆเหตุไม่ได้เกิดแก่ตนแต่ว่าเกิดที่บุคคลอื่นก็กน้อนกลับเข้ามาหาตนว่าแม้เราถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นบ้างถูกกำนัง ก, กิเลสกดดันรุนแรงเช่นนั้นก็จะต้องพูดรุนแรงอาจจะต้องทํารุนแรง จึงมาแก้ไขมากันมีการสํารวมระมัดระวังที่ใจตัวเองแตในขณะเดียการต้องมองเห็นสองด้านเพราะตามปกติแล้วกุศลธรรมากับอกุศลธรรมานั้นมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลมากเป็นพิเศษ <c oughs> ต้องมองเห็นโทษของกิเลสประจักษ์แก่ใจต้องมองเห็นคุณของความไม่มีกิเลสให้ประจักษ์แก่ใจด้วยแล้วก็พยายามละในส่วน ของกิเลดเดวนั้นประโยชนจากการศึกษาประโยชนจากการปฏิบัติธรรมะกลุ่มนี้ก็จะบังเกิดขึ้นกลุ่มทำอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอานิสงค์คือผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติให้สงบระงับซึ่งกิเลสเดล่วนั้นผลเหล่านั้นมีลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลาดับบางครั้งท่านเรียกว่าอานิสง์ แปลว่าผลที่ไหลออกจากการกระทำความดีเป็นผลสากลไม่ได้ผูกขาดตัดตอนไว้เฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่ว่าใครก็ตามที่สร้างเหตุเพื่อเกิดผลเชนนั้นได้ผลเชนนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นคล้ายค้ายกับลูกมะพร้าวเกิดจากต้นมะพร้าวเป็นผลที่สากล ใครก็ตามเมื่อปลูกต้นมะพร้าวขึ้นมาโอกาสหนึ่งเขาก็จะได้รับผลมะพร้าวผลกัะลำต้นจะไม่มีความขัดแย้งกันการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางรพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงผลขึ้นไปโดยตําดับเช่นว่าผลแห่งการให้ทานก็กระจัดความทุกข์ได้ระดับหนึ่งอำนวยประโยชน์ให้ได้ระดับหนึ่งและมีผลที่บุคคลเห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนเองได้ในระดับหนึ่งคือในขณะนั้นนั่นเอง เหนว่าตนเองจะเป็นที่รักของบุคคลดอาอื่นคนเป็นนั้นมากจะเข้ามาเป็นมิตรเป็นพว้ก่บหลาสมาคมกับบุคคลผู้นั้นเกียรติคุณที่ดีงามของเขาเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายจะเข้าไปในสมาคมใดโกงอาดระหารไม่ขั้นคล้ามขำกลิ่นในสมาคมนั้นไม่หลงทํากาลกิริยาตายไปแล้วบังเกิดในสุคติ ถึงจะเห็นได้ว่าอา น, นิสงส์สีอย่างแรกนั้นเป็นอา น, นิสงส์ที่บุคคลเห็นได้ในทันทีทันใดแต่ว่าอีกสองประการต้องรอให้ตัวเองป่วยซะก่อนด้วยตายซะก่อนแต่อีกสองประการนั้นพอไปจากแล้วก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้หลังจากตัวเองได้ตายไปแล้วแต่สีประการนั้นเป็นผลที่ไปจากและชั้นของศีลก็ทรงแสดงอา น, นิสงส์เอาไว้ เนว่าบุคคลจะสมบูรณ์ในพวกกสสมบัติกับพระสิทธิ์บา ง, งเกิดในสุคติได้กับพระสิทธินอุลุนิพานได้ก็บพระสินในสุคตินั้นหมายระดับความสุขก็ได้นิพานนั้นหมายถึงว่าดับความรุนแรงดับกิเลสในระดับย่อยๆลงมาก็ได้ซึ่งเป็นผลที่บุคคลไปจักได้ในขณะนั้นนั้นและผลเหล่านี้ก็จะสูงขึ้นไปโดยลำดำับดังนั้นถ้าบุคคลมีเป้าหมายในการประพฤติในการการะทำ แล้วก็มุ่งมั่นเพื่อให้ตนสัมผัสผลตามเป้าหมายเหล่านั้นโอกาสน่นคนเหล่านั้นจะได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการตั้งเป้าหมายก็จะมีแก่บุคคลผู้นั้นกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่สงใช้คาว่าภเวตประธรรมคือธรรมะที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นความสุขแก่ตน ประโยชน์ที่บุคคลจะได้หรือไม่นั้นบางครั้งก็ส่งสุดแดงเห็นว่าธรรมะเปรียบเหมือนขยะอย่างที่พระท่นานใช้สวดในพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นว่าสกตวาบุธราตาตังโอสทั่งอุตมังวรังขอนอบน้อมส ก, การะแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นโอสดอยาอันประเสริฐสุด เวาพูดถึงประธรรมประสงก็พูดโดยนัยะเดียวกันการปฏิบัติธรรมจึงต้องมองเหมือนการใช้ ย, ยาปริยัติก็เหมือนการเรียนรู้วิธีใช้ ย, ยาปฏิบัติก็เหมือน ก, นการรับประทานยาเข้าไปแต่ด้านของการศึกษาเรียนรู้นั้นก็บอกไว้ละเอียดแล้วว่าใช้อ ย, ย่างไรเวลาคราวละเท่าไหร่ก่อนหรือหลังอาหารเป็นต้น ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยา น, นั้นก็ต้องปฏิบัติตามส่วนปริยัติคือที่หมอบอกเอาไว้การจะได้ประโยชน์จากธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นธรรมะนั้นมีความสุขเป็นประโยชน์มีการเกื้อกูลตนเองและเกื้อกูลคนอื่นเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่า <c oughs> จะใช้อยู่เพียงข้อใดข้อหนึ่งไปในทุกกรณีเพราะบางการณีที่จะต้องใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งแต่เกิดใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่ง เมืก็โรคอย่างหนึ่งแต่ใช้ยาอีกแก้โรคอีกอย่างหนึ่งผลคือความหายจากโรคก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่ใช้ธรรมะนั้นเหมาะสมสอดคล้องแก่กะรณีนั้นๆอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมรผลที่ดีงามในด้านต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นอันเป็นความเกื้อกูลแก่ตนและนวยความสุขให้แก่ตน เช่นในยามที่มีเรื่องราวรุนแรงบังเกิดขึ้นจะต้องอาศัยความอดทนมีความส ง, งบเพื่อรักษาคุณภาพจิตของตนแม่สับสนวาวุ่นจนกำหนดทิศทางที่จะแก้ปัญหาไม่ได้หรือแนคราวที่จะต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตนอกจากจะอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นหลักแล้วยังต้องใช้ความเพียรพยายามที่ผิดปกติธรรมดา ความเพียรระดับขับรถระดับระดับกวาพื้นหรือความเพียรระดับทำการงานในการประกอบอาชีพที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุจับต้องได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นั้นเอามาใช้กับการปฏิบัติทางจิตไม่ได้เพราะความเพียรต่ำเกินไปหย่อนเกินไปแต่ถ้าปฏิบัติ ท, ทาเหมาะสมสอดคล้องโด ย, น, ยนัยาะดังกล่าวแล้วประโยชน์จากการกลุ่มธรรมะที่ต้องประพฤติปฏิบัต ก็จะบังเกิดขึ้นดังกล่าวมาต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป